ท่านฟังคะามาถึงเทศ ก, กาลเข้าพรรษาของพุทธศาสนากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านฝั่งนั้นได้รับรู้ว่าจริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยเข้าพรรษาเป็นอย่างไรที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย <c oughs> เหมือนกับเข้าพรรษาครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่หรือเปล่า <c oughs> นมัส ก, การเรียนถามท่านอาจารย์คริสต์ไวเนโอกาดนี้ด้วยค่ ะ, ะก็ในเรื่องของการเข้าพรรษาก็เป็นการที่ พรผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยต้องการให้ภิกษุเนี่ยหยุดการหลอนแลมนะภายในที่ต่างๆแล้วก็เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูการฝนที่ทําให้การเดินทางนั้นลําบากแล้วด้านธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจ ะ, ะเน้นในเรื่องของการอยู่เป็นที่อา น, นิสงส์ของการอยู่เป็นที่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเธอย่อมบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุเธอย่อมไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้ว เธอย่อมแต่งฉันช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม่ที่บรรุแล้วนะเป็นคนมีอาภาษน้อยเป็นคนมีมิตรมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆผู้เจ้าเนี่ยต้องการให้ภิกษุเนี่ยเมื่อเจอที่สปายะแล้วเนี่ยก็ให้อยู่เป็นที่ให้อยู่เป็นที่เป็นทางงั้นท่านกําลังจะหมายความว่าในส่วนของการอยู่เป็นที่เป็นทางตามพระพุทธประสงค์นี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นหน้าฝนหรือไม่ถูกไหมคะกรณีทั่วไปนะกรณีทั่วไปก็อย่างนั้นด้วย อันนี้ก็เป็นกรณีที่อาศัยเหตุของฤดูการฝนค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าคําอธิบายของท่านจบหรือยังคะจะได้ถามคําถามต่อไปอ๋ อ, อเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนก็ได้คือคําถามต่อไปที่อยากถามก็คือว่าถ้าดูเหตุผลในการที่จะไปเบียดเบียนเกษตรกรหรือชีวิตสัตว์ที่มันอาจจะมีชีวิตในช่วงฤดูฝนบนหนทางที่ประสงค์จะอาศัยเดินเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนกับว่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคือตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องเบียดเบียนสิ่งเหล่านี้ได้ดค่ะก็เลยจะถามว่าผ <c oughs> ูเจ้าก็เปิดช่องไว้นะค่ะท่านให้สัตหานได้ก็คืออนุญาตให้ไปในระหว่างพรรษาเนี่ยได้คราวละเจ็ดวัน ค, คราวละเจ็ดวันแล้วก็กลับเข้ามาะกลับเข้ามาแล้วก็ไปได้อีกนะจะไปอีกก็ได้แต่ขอให้กลับเข้ามาก่อนค่ะะ เจ็ดวันกลับเข้ามาอยู่วันเดียวก็ได้ครึ่งวันก็ได้เงล่ะฮะใช่ใชกลับเข้ามาคือหมายถึงว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับในสมัยนูน้น ใ, ใช่ไหมคะซึ่งเป็นวินัยมาถึงสมัยนี้ว่าเดินทางก็ได้แล้วการเดินทางเนี่ยมีเหตุผลไหมคะว่าจะต้องมีความจำเป็นประเภทใดบ้างถึงจะสามารถไปได้ก็เช่นว่ า, ามีกิจสงเกิดขึ้นอย่างี้น ะ, ะไปช่วยเหลือหรือว่าการที่ บิดามารดาป่วย <คะ S 1> หรือเราไปช่วยหมู่คณะพิสูจ์ของเราเนี่ยเกิดว่าเพื่อนสาธมิกเรามีปัญหา <ฮะ S 1> มีอันตรายแก่ปรมาจาร์อย่างนี้เราก็เข้าไปช่วยเหลือได้ดั <คะ S 1> นั้นเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นเหตุปัจจัยที่เหมาะสมตามพระธรรมพระวินัยเนี่ยก็สามารถที่จ ะ, ะสัตหะคือขออนุญาตลาไปได้อ๋อต้องขออนุญาตค่ะ ก็ใช้กำหนดจิตของเราเองนั่นแหละว่าเราจะขอไปเนี่ยภายในระยะเวลาเท่านี้อ๋อค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจตนาจริงๆคือท่านอยากให้พระสงฆ์อยู่เป็นที่เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษามีการปฏิบัติให้มากขึ้นเออแล้วบอกว่าที่ว่าอาพาธน้อยคือถ้าเดินทางมากนี่มีโอกาสเจ็บแค่ได้ป่วยมากเจ็บแค่ได้ป่วยมากอาหารการกินเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอะไรตอนอะไรเปลี่ยนเยอะแยะเลย แต่อีกข้อหนึงอะค่ะที่บอกว่าอยู่เป็นที่แล้วมีมิด ม, มากเดือนฟังผิดเปล่าค่ะไม่ผิดนี่เป็นประเด็นที่แปลกค่ะ <Studio> ก็ฟังแล้วรู้สึกแปลกใช่ <circulating> ใรายละเอียดเป็นยังไงคะเราเราเหมือนกับว่าถ้าเราไปไหนมาไหนแล้วดูจะมีมิตรมากใช่ค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าพระุทธเจ้าบอกว่าการเคลื่อนไปนั่นแหละทําให้มีมิตรน้อยการอยู่เป็นทีน่นี่แหละมีมิดมากอาตมาก็มาหามุมเฮ้ยมันจะมีมิตรมากไงอ๋อคือเราสามารถตามหาคนคนนี้ได้ <ม>าอาตมาเคยมีเพื่อนสา ธ, ธรรมิกอยู่คนนึ่งนะอยากจะพบเขก็หาไม่เจอเพราะว่าล่อนไปที่โน่นที่นี่ตลอดเลยเลยไม่รู้ว่าพราองเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ค่ะนะวันนี้ได้รับข่าวว่าอยู่ตรงนี้นะอีกสามสี่วันไปอยู่โน่นอีกและอีกสามสี่วันไปอยู่นั่นอีกแล้ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ตามกันไม่พบตามกันไม่พบเลยค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่เป็นที่เนี่ยใครต้องการมาพบเราก็เจอได้ตลอดเวลาค่ะนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ของการ<ช>อยู่เป็นที่<ช>ทีนี้ปกติแล้วมีข้อบัญญัติละเอียดไปอีกไหมคะว่าในระหว่างเข้าพรรษานั้นพระจะต้องทําอะไรบ้างคารวะจะต้องทําอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรมากในส่วนของพระเนี่ยก็คื อ, อมีความเคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นโดยอาใส่กฎเกณฑ์ตรงนี้ที่เราไม่ต้องไปไหนมาไหนโดยข้อบังคับทางพระวินัยของพระเจ้าไม่ให้ เดินทางไปไหนเนี่ยก็ทำให้เรามีการประพฤติปฏิบัติที่มากขึ้นส่วนของคารวะเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสกับหมู่คณะสงฆ์เป็นเรื่องเป็นรามากขึ้นคพระจะเยอะมากขึ้นค่ะเราตักบาตรช่วงเข้าพรรษานี่ชอบมากเลยพระเยอะแล้วแล้วก็เป็นเป็นประเด็นที่ที่น่าแปลก ถ้าโยงไปถึงออกพรรษาเลยน ะ, ะอืก็คือพระเจ้าเนี่ยจะให้มีวันวันหนึ่งที่เรียกว่าวันเปรวารณาวันออกพรรษาเนี่ยเนื่องจากมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นเวลาถึงสามเดือนแล้วเนี่ยควันนั้นเนี่ยพระเจ้าให้งดการลงอุโบสถสวดทบทวนศีลเนี่ยไม่ต้องแต่ให้มาปรวารณากันเปรวารณากันก็หมายถึงว่าการที่สงฆ์แต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยน ะ, ะอนุญาตให้ สงท่านอื่งเนี่ยว่าตัวเองได้ด้วยการพูดว่าด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวครับพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นอยู่จะแก้ไขต่อไปช่วยว่าตัวเองหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นพรรษามากพรรษาน้อยก็าตามทุกคนมีสิทธิ์ในการว่ากล่าวกันได้หมดและทุกคนต้องพูดอย่างนี้เหมือนกัน แล้วมีการในในการปฏิบัติที่แท้จริงมีการมีการโต้กันไหมก็มีทั้งมีและไม่มีบางสถานที่ก็ไม่มีก็คือไปถกกันนอกรอบดีกว่าอย่างนี้ก็มีหรือว่าถกกันตรงนั้นก็มีเหมือนกันคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเห็นประโยชน์ของการมาอยู่ร่วมกันว่าก็จะได้มีโอกาสที่พูดคุยกันรู้นิสัยใจแล้วก็สะท้อนสะท้อนความรู้สึก ที่มีต่อกันใช่ไหมครับตลอดจนช่วยกันตรวจสอบซึ่งกันและกันใช่ใช่ผูเจ้าบอกว่าทำวินัยเนี่ยน ะ, จะเจริญแล้วด้วยการว่ากล่าวซึ่งกันและกันตักเตือนกันและกันให้ออกจากขาบัตรให้พ้นผิดนั่นเอง อ, อ๋คือเหมือนกับบางทีสหธรรมิกของเราคือเพื่อนพระเพื่อนนียอาจจะไม่ทราบใช่ใช่ว่ามองไม่เห็นความผิดของตัวเองกันอย่างไรใช่ก็ให้คนอื่นช่วยบอกช่วยเตือนให้แต่บางทีเขาไม่ค่อยกล้าบอกกันไง ก็เลยอนุญาตให้หนึ่งวันเนี่ยเปิดพูดกันได้เต็มที่เลยแล้วเหมือนคารวะไหมคะพอเปิดพูดกันเต็มที่พลหลังจากนั้นก็ไม่พูดกันอีกเลยก็มีเหมือนกันซึ่งซึ่งพระเจ้าซึ่งก็มีเรื่องเรื่องเหล่านี้ในครังพิธีการนะพระเจ้าบอกว่าถ้ารู้ว่าการเปรานาครั้งนั้นเนี่ยเป่านาแล้วจะมีเรื่องนะให้เลื่อนออกไปอ่าให้เลื่อนการเป่านาออกไปค่ะแต่ถ้าเลื่อนไปแล้วอ เรื่องมันยังจะมีต่ออีกอก็อนุญาตให้เลื่อนได้ไม่กี่ครั้งหรอกแล้วก็ต้องยังไงก็ต้องปราวนา อ, อย่างนี้คือเหมือนอใช้เวลาในการที่จะเยียวยาอ่าเยียวยาซื้อเวลาไปสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งไปเรื่อยๆก็เรียก ว, ว่าท่านก็ให้ความสาคัญกับเรื่องของกาลข์ใช่ใช่ใช่ดูความเหมาะสมเอาอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นล่ะคะถ้า อ, อันนี้หมายถึงว่าในพรรษาเสร็จปุ๊บ อันนี้เรากระโดดมาถึงตอนออกพรรษาปวารณานี่ทาวันออกพรรษาอยังคะอ่าวันออกพรรษาเยอะนะคะวันสุดท้ายที่นี้สําหรับครว่าเราญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับก่อนหน้าที่จะเข้าพรรษาเราก็จะมีทําบุญถวายผ้าอาบน้ําฝนอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ๋ผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยอ่าก็ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วพระก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าอ่ามีวินัยทางสงฆ์ ค่ะอ่าค่อนข้างเยอะเกี่ยวกัาน้ําฝนว่าถ้าแสวงหาก่อนเวลาอันควรปรับปรับัตรนะทผ้าน้ําฝนเองก่อนเวลาอันควรปรับปรับัตรเพราะอะไรอ่ะก็ผู้เจ้าไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องบริการเครื่องใช้ของตัวเองมากมายนักแม้แต่การทําจีวอก็ยังกําหนดให้ในการนี้หนึ่งเดือนหลังออกวันรษาเลยนะนั้นท่านท่านจะกําหนดเรื่องขอบเขตในการแสวงหาและการทําผ้าน้ําฝนไว้ และถ้าพ้นเขตแล้วไม่ถอนอธิษฐานผ้าผ อ, นะอา่าน้ำฝนก็ปราบบาปิถอนอธิษฐานผ้าอ่างน้ําฝนหมายความว่าอะไรคะก็คื อ, ค, อคือการยกเลิกผ้าชิ้นนัน้นว่าอันเนี้ยเราไม่ใช้เป็นผ้าอ่างน้ําฝนละเรายกเลิกอืนะต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานก็คือตั้งใจกําหนดหน้าที่ของผ้าชิ้นนั้นนั้นเนี่ยว่าจะใช้เป็นอะไรทีนี้ท่านบอกว่าพระไม่ค่อยได้ใช้กันเนี่ย <c oughs> เท่ากับว่าที่ญาติโยมเอาไปถวายตามวัดนี่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรอคะก็ <c oughs> ถ้าจริงๆประโยชน์น้อยไม่ก็ได้ใช้เป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นก็เป็นแค่เป็นแค่พิธีกรรมซึ่งไม่ถวายก็ได้นะพราะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไหมหรอคะก็บัญญัติไว้แต่เหมือนเป็นผ้าที่ค่อนข้างเป็นส่วนเกินนิดหนึ่งค่ะส่วนใหญ่เราก็จะอธิฐานเป็นภาพเรียกว่าปริขาระโจลังผ้าบริขารทั่วไปซึ่งไม่เอ่อมีอิสระค่อนข้างมากไม่กําหนดขนาดสีจํานวนะน ะ, ะไม่กําหนดว่าจะต้องสแสวงหาเมื่อไหร่ทาเมื่อไหร่ มีความอ่อนตัวสูงมากภาพบริการทั่วไปใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติเกิดถวายไปแล้วไม่ได้ใช้นี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้เยอะก็คือโยมถวายมาเนี่ยถวายได้แต่พระจะไม่อธิษฐานเป็นภาพน้ำฝนไงอ๋ออยู่ที่ท่านจะอธิฐานเอาไปใช้อะไรใช่ใช่เอาไปใช้อะไรคือเจตนาโยนจะได้บุญอยู่แล้วใชนะคะเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าพระพระมีิสระในการใช้ทีนี้ จะสังเกตว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเขาก็จะถือโอกาสกันที่จะทําดีอ อ, อย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่มาคิดปฏิบัติกันเองหรือว่ามีแนวทางมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเช่นบางคนหรืว่าจะไม่ดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาบางคนหรืว่าจะดื่ซีน่า อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เ ป, เป็นสิ่งเกิดใหม่หรือว่าอไม่หรอกก็เป็นเป็นโอกาสมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วที่ภิกษุหลายๆหลายๆองค์หลายๆท่านก็ อาศัยในช่วงเนี้ยที่จะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้เข้มงวดขึ้น <Okay. S 1> อย่างในเพื่อนสาธรรมิ ก, กันก็จะมีบางองค์บางท่านเนี่ยสมาทานทุดดงควัตเช่นว่าไม่นอนนะถือรีบอดสามยืนเดินนั่งตลอดสามเดือนซึ่งไม่ง่ายนะไม่นอนได้ไม่นอนนี่คือไม่หลับเลยอะไม่ไม่เอนกายนอนแต่หลับได้ถ้าอยากจะนั่งหลับก็หลับ <Okay. S 1> แต่มันไม่ได้หลับสบายเนี่ย hmm. นะ ก็คือผู้เจ้าบอกว่าให้ถืออิริยบท3ยืนเดินนั่งทุดงควัตเรีกเนสัจชิกังคะนะก็เพื่อฝึกสติอันนี้ในส่วนของพระในส่วนของพระก็มีวิธีที่จะอธิษฐานต่างๆนานาแต่ที่นิยมคืออธิษฐานทุดงควัตทุดงควัตคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อการขูดเคลากิเลศอย่างยิ่งใครต้องการสําเร็จวัยบรรลุมรรคผลไวัยก็เอาทุดงควัตเข้าไปจับเช่นถือผ้าบางสุภูนถือจีวรสาผืน ถือบินธบาตเป็นวัดฉันภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวอยู่บนไม้อยู่ป่าอยู่ป่าชา้าอยู่ที่แจ้งนะถือรี บ, บท3ยืนเดินนั่งไม่นอนนะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะก็น้อมเอาไปทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้พระมหากปสปะเลื่อทางทุดงก็ยังมีแค่สามคอย่างนี้หรือ เ, เปล่าคะก็เลยทำให้ในส่วนของญาติโยมเนี่ย <c oughs> ก็เลยทา <c oughs> ในลักษณะที่อธิษฐาน เหมือนกันว่าตัวเองจะทำอะไรใช่ใก็เป็นเหมือนว่ามันทําให้ได้บุญพิเศษอะไรไหมคะถ้าทําในช่วงเข้าพรรษาค่ะอ๋อก็ก็ปกติเลยหรือมั้นะอือดูการไหนก็เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันมีกดเกณฑ์มีข้อบังคับนิดหน่อยก็ดูดีขึ้นก็อาศัยระยะเวลาอาศัยระยะเวลาที่จํากัดค่ะก็นับได้ว่าเป็นการทําความเข้าใจกับเรื่องของวันเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเข้าพรรษาเราก็จะมีประเพณี การทอดกระถินใช่ไหมคะใช่ใชเคยได้ยินท่านอาจารย์บอกว่าทอดกระถินในสมัยพุทธกาลน้ตาต่างกับปัจจุบันอ๋อใช่ใช่ใชค่แต่ว่าเวลาเหลือน้อยออเอาไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่า<ช>นะคะเพราะว่าก็อยากให้ชาวพุทธเนี่ยได้ทำความเข้าใจ ในบุญที่เราเชื่อกันเพราะเขาถือว่ากระถิ่นที่ทำแล้วได้บุญเยอะนะคะ uh huh. ส่วนใหญ่คนที่จะจ้องเลย uh huh. ปีนี้จะทอดกระถิ่นได้กี่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็ช่วยกันทา uh huh. ร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะ uh huh. แต่ว่าเข้าพรรษานี้ก็ลองมาคิดกันดูก็แล้วกันนะคะ uh huh. ว่าในส่วนของตัวท่านนั้นจะอธิษฐานทำความดีอะไรทำนิดนึงก็ดีกว่าไม่ทำเลยนะคะ uh huh.